ปะนิเทศบรรดานวะกะมาทิกาเหล่านั้นอาคาตวัตถุ ก, ก้าวเป็นไนอาคาตวัตถุ ก, ก้าคือหนึ่งความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้ได้ทำความเสื่อมเสียแก่เรา 2. ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้กาลังทำความเสื่อมเสียแก่เราสความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้จะทำความเสื่อมเสียแก่เราสี่ ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้ได้ทำความเสียสียแก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราหความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้กำลังทำความเสียสียแก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา6ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้จะทำความเสียสียแก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา7ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้ได้ทำประโยชน์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 ปุริสมละเก้าคือหนึ่งโกทะความโกรธสองมัคคะความรบหลูลคุณท่านสอิสาความริษยาสมัฉริยะความตรณีหมายาความเจ้าเล่ห์สาถยะความโอโ้อวดเจมุสาวาตการพูดเท็จ 8. ปาปิชตาความปรารถนาลามก 9. มิชาทิทิความเห็นผิด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 6. เป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าด้อยกวาเขาเจ็ 7. เป็นผู้ด้อยขวาเขาถือตัวว่าเลิกขวาเขา 8. ปเป็นผู้ด้อยขวาเขาถือตัวว่าเสมอเขาเก้า 9. เป็นผู้ด้อยกวาเขาถือตัวว่าด้อยขวาเขาเหล่านี้ชื่อว่ามานะเก้าตัณหามูลกะธรรมเก้าเป็นจะไหนตัณหามูลกะธรรมเก้าคือหนึ่งเพราะอาศัยตัณหา การแสวงหาจึงเกิด <t> ข <ons> <an> ึ้น2เพราะอาศัยการแสวงหาการได้จึงเกิดขึ้นสเพราะอาศัยการได้การวินิจฉัยจึงเกิดขึ้น 4. เพราะอาศัยการวินิจฉัยฉันทราคะจึงเกิดขึ้น 5. เพราะอาศัยฉันทราคะความหลงไหลจึงเกิดขึ้น6เพราะอาศัยความหลงไหลความหงแหนจึงเกิดขึ้น7 เพราะ อ, อาศัยความหวงแหนความตรณีจึงเกิดขึ้น 8. เพราะ อ, อาศัยความตรนีการรักษาจึงเกิดขึ้น 9. เพราะ อ, อาศัยความรักษาสภาวธรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลหลายประการคือการถือท่อนไม้การถือศาสตราการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทการพูดขึ้นเมืองกูการพูดส่อเสียดการพูดเท็จจึงเกิดขึ้น เหล่านี้ชื่อว่าตันหามูลกะธรรมเก้าอินชิตะเก้าเป็นไนอินชิตะเก้าคือหนึ่งความหวนวัยว่าเรามีสองความหว่นวัยว่าเราเป็นสความหวนวัยว่าเราเป็นสิ่งนี้สความหวนวัยว่าเราจกมีหความหวันวัยว่าเราจะเป็นสัตว์มีรูปหความหวันวัยว่าเราจักเป็นสัตว์ไม่มีรูป 7. ความหวั่นไหวว่าเราจะเป็นสัตว์มีสัญญาแปความหวั่นไหวว่าเราจะเป็นสัตว์ไม่มีสัญญาเกความหวั่นไหวว่าเราจะเป็นสัตว์มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เหล่านี้ชื่อว่าอินชิตะเก้ามัญิตะเก้าและถึงพันธิตะเก้าปปันจิตะเก้าสังคตะเก้าเป็นไงสังคตะเก้าคือ 1. ความปรุงแต่งว่าเรามีสองความปรุงแต่งว่าเราเป็นสความปรุงแต่งว่าเราเป็นสิ่งนี้สความปรุงแต่งว่าเราจะมี 5. ความปรุงแต่งว่าเราจะเป็นสัตว์มีรูป 6. ความปรุงแต่งว่าเราจะเป็นสัตว์ไม่มีรูป 7. ความปรุงแต่งว่าเราจะเป็นสัตว์มีสัญญา 8. ความปรุงแต่งว่าเราจะเป็นสัตว์ไม่มีสัญญา เาความปรุงแต่งว่าเราจะเป็นสัตว์มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เหล่านี้ชื่อว่าสังคตะเก้านวกะนิเทศจบส0ทัศกะนิเทศ บรรดาทศกามาธุกาเหล่านั้นกิเลสสารุทธสิบเป็นไนกิเลสสารุทธสิบคือหนึ่งโลภะความโลภสองโทสะความคิดประทุสร้ายสามโมหะความหลงสี่มานะความถือตัวห้าทิฐิความเห็นผิดหวิจิกิจฉาความสงสัยเจดทีนะความหดหูแปดอุทจจะความฟุ้งซ่าน เอะิริกะความไม่ละอายบาปสิ 10. อะโนตปะความไม่เกรงกลัวบาปเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสะวัตถุสิทธิอาคาตะวัตถุสิทธิ์เป็นไ น, นอาคาตะวัตถุสิทคือหนึ่งความอาคาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้ได้ทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราสองความอาคาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้กําลังทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราสา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 แต่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราเจ็ความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้ได้ทำประโยชน์แต่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราแปดความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราเก้าความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา ความอาคาเกิดขึ้นในฐานะอันไม่สมควรเหล่านี้ชื่อว่าอาคาตวัตถุสิทธิอกุศลกรรมบทสิทธเป็นไนอกุศลกรรมบทสิทคือหนึ่งปานาติบาทฆ่าสัตว์สองอธินาทานลักทรัพย์สามกาเมสุมิฉาจารประพิษผิดในกามสมูสาวาตพูดเท็ห 5. ปิสุณวาจาพูดส่อเสียด 6. พรุษวาจาพูดคำหยาบเจสัมภปลาปะพูดเพอเจอร์ 8. อภิชาเพ่งเล็งอยากได้ของเขา 9. พยาบาทปองร้ายเขาสิมิฉาทิฐิเห็นผิดจากคลองธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอากุศลกรรมบทสิบสังโยตสิบเป็นไนสังโยตสิบคือหนึ่งกรารมราคะสังโยต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 สีละพตตปรามาสสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว <gee> ้ในภพคือส <anytime Lunch> ีละพตตปรามาด 7. ภวราคะสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือภวราคะ 8. อิสาสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคืออิสา 9. มัจเริยสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือมัจเริยสิบอวิเชาสังโยชน์ กิเลเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในพบคืออวิชชาเหล่านี้ชื่อว่าสังโยสิบมิจฉะตตะสิบเป็นชไหนมิจฉะตตะสิบคือหนึ่งมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดสองมิจฉาสังกัปปะดำ m ริผิดสมิจฉาวาจาเจรจาผิดสี่มิจฉากรรมันตะประทาผิดหมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิดหมิจฉาวายามะพยายามผิด เมิจฉาสติระลึกผิดแปดมิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิดเก้ามิจฉาญาณารู้ผิดสิบมิจฉาวิมุติพ้นผิดเหล่านี้ชื่อว่ามิจฉาสิทธิมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุสิบเป็นไงนะมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุสิบคือหนึ่งความเห็นว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลสองความเห็นว่าการบูชาไม่มีผล สความเห็นว่าการสิ้นสวงไม่มีผลสความเห็นว่าผลวิบากของกรรมดีและกรคำชั่วไม่มีห้าความเห็นว่าโลกนี้ไม่มีหความเห็นว่าโลกหน้าไม่มีเจ็ดความเห็นว่ามารดาไม่มีคุณแปความเห็นว่าบิดาไม่มีคุณเกความเห็นว่าสัตว์ผู้เป็นโอปปาติกะไม่มีสิทความเห็นว่า สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้ยิ่งเห็นจริงแจ้งประจักษ์ซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ไม่มีในโลกนี้ชื่อว่ามิชาทิฐิมีวัตถุสิบอันตักคาหิกะทิฐิมีวัตถุสิเป็นไนอันตักคาหิกะทิฐิมีวัตถุสิบคือหนึ่งความเห็นว่าโลกเที่ยงสองความเห็นว่าโลกไม่เที่ยง สความเห็นว่าโลกมีที่สุดสความเห็นว่าโลกไม่มีที่สุดหความเห็นว่าชีวากับสิริระเป็นอย่างเดียวกัน6ความเห็นว่าชีวากับสิริระเป็นคนละอย่างกัน7ความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกแปความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีก9ความเห็นว่า หลังจากตายแล้วตถาคุณเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีสิ 10. ความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคุณเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้ชื่อว่าอันตักไกกะทิฐิมีวัตถุสิทธิ์ทาชะกาณิเทศจบ จิริตตนิเทศบันดามาติกานั้นตัณหาวิจริสิบแปดอาศัยเบญจขันธ์ภายในเป็นไนตัณหาวิจริสิบแปดอาศัยเบญจขันธ์ภายในคือหนึ่งตัณหาว่าเรามีสองตัณหาว่าเราเป็นอย่างนี้สามตัณหาว่าเราเป็นอย่างนั้นสี่ตัณหาว่าเราเป็นโดยประการอื่นห้าตัณหาว่าเราจากเป็น ตันหาว่าเราจะเป็นอย่างนี้เจ็ดตันหาว่าเราจะเป็นอย่างนั้นปดตันหาว่าเราจะเป็นโดยประการอื่นเก้าตันหาว่าเราเป็นผู้เที่ยงสิบตันหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงสิบเอ็ดตันหาว่าเราพึงเป็นสิบสองตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้สิบสามตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้น สิบสี่ตันหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นสิบห้าตันหาว่าเราพึงเป็นบ้างสิบหกตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้บ้างสิบเจดตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นบ้างสิบแปดตันหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นตันหาว่าเรามีเป็นอย่างไรบุคคลไม่แยกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วได้ฉันทะว่าเรามีได้มานะว่าเรามีได้ทิฐิว่าเรามีเมื่อสภาวะธรรมทั้งสามนั้นมีอยู่สภาวะธรรมเครื่องเนื่องช้าเหล่านี้ก็มีว่าเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นหรือเราเป็นโดยประการอื่นก็มีตั้นหาว่าเราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรตั้นหาว่า เราเป็นกษัตริย์หรือเป็นพราหมณ์เป็นแพทย์หรือเป็นสูตรเป็นครรหัดหรือเป็นบรรปะชิตเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์เป็นพรหมที่มีรูปหรือเป็นพรหมที่ไม่มีรูปเป็นพรหมที่มีสัญญาหรือเป็นพรหมที่ไม่มีสัญญาหรือเป็นพรหมมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่อย่างนี้ตัณหาว่าเราเป็นอย่างนี้ก็มีตัณหาว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไร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 ตันหาว่าเราเป็นอย่างนั้นก็มีตั้นหาว่าเราเป็นโดยประการอื่นเป็นอย่างไรตั้นหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื hizo, ่นว่าเขาเป็นกรัตร์แต่เราไม่ได้เป็นกรัตรเหมือนเขาเขาเป็นพรามแต่เราไม่ได้เป็นพรามเหมือนเขาเขาเป็นแพทย์แต่เราไม่ได้เป็นแพทย์เหมือนเขาเขาเป็นสูตรแต่เราไม่ได้เป็นสูตรเหมือนเขาเขาเป็นคอรหัสแต่เราไม่ได้เป็นครหัสเหมือนเขา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 ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เหมือนเขาอย่างนี้ตัณหาว่าเราเป็นโดยประการอื่นก็มีตัณหาว่าเราจักเป็นเป็นอย่างไรบุคคลไม่แยกสภาวะธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วได้ฉันทะว่าเราจักเป็นได้มานะว่าเราจักเป็นได้ทิฐิว่าเราจักเป็น เมื่อสภาวะธรรมทั้งสามนั้นมีอยู่สภาวะธรรมเครื่องเนื่อนช้าเหล่านี้ก็มีว่าเราจกเป็นอย่างนี้เราจกเป็นอย่างนั้นหรือว่าเราจกเป็นโดยประการอื่นก็มีตั้นหาว่าเราจกเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรตั้นหาว่าเราจะเป็นกษัตริย์หรือจักเป็นพราหมณ์จกเป็นแพทย์หรือจกเป็นสูตรจกเป็นครหัหรือจเป็นบรรพชิตจกเป็นเทวดาหรือจกเป็นมนุษย์ จ า, Cold, จากเป็นพรหมมีรูปหรือจากเป็นพรหมไม่มีรูปจากเป็นพรหมมีสัญญาหรือจากเป็นพรหมไม่มีสัญญาจากเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่หรือจากเป็นพรหมไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อย่างนี้ตันหาว่าเราจกเป็นอย่างนี้ก็มีตันหาว่าเราจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไรตันหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นประศัตรเราก็จะเป็นประัตรเหมือนกัน เขาเป็นพราหมณ์เราก็จะเป็นพราหมณ์เหมือนกันละถึงหรือว่าเขาเป็นพรอมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เราก็จะเป็นพรอมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เหมือนกันอย่างนี้ตัณหาว่าเราจะเป็นอย่างนั้นก็มีตัณหาว่าเราจะเป็นโดยประการอื่นเป็นอย่างไรตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียกว่าคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์ แต่เราจักไม่เป็นกษัตริย์เหมือนเขาเขาเป็นพราหมณ์แต่เราจักไม่เป็นพราหมณ์เหมือนเขาละถึงหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แต่เราจักไม่เป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เหมือนเขาอย่างนี้ตัณหาว่าเราจักเป็นโดยประการอื่นก็มีตัณหาว่าเราเป็นผู้เที่ยงเป็นอย่างไรบุคคลไม่แยกสภาวะธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วมีตัณหาว่าเราเที่ยงเรายั่งยืนเราคงทนเราไม่มีความแปรปรนไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ตัณหาว่าเราเป็นผู้เที่ยงก็มีตัณหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงเป็นอย่างไรบุคคลไม่จำแนกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณออกจากกันแล้วมีตันหาว่าเราจากขาดศูนย์จากพินาศจากไม่มีอย่างนี้ตันหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงก็มีตันหาว่าเราพึงเป็นเป็นอย่างไรบุคคลไม่แยกสภาวะธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วได้ฉันทาว่าเราพึงเป็นได้มานะว่าเราพึงเป็น ได้ทิฐิว่าเราพึงเป็นเมื่อสภาวะธรรมทั้งสามนั้นมีอยู่สภาวะธรรมเครื่องเล่นช้าเหล่านี้ก็มีว่าเราพึงเป็นอย่างนี้เราพึงเป็นอย่างนั้นหรือว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นก็มีตั้นหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรตั้นหาว่าเราพึงเป็นกริย์หรือเป็นพรามพึงเป็นแพทย์หรือเป็นโสตพึงเป็นครหัดหรือเป็นบันปชิต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 เราก็พึงเป็นกษัตริย์เหมือนกันเขาเป็นพรามเราก็พึงเป็นพรามเหมือนกันและถึงหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เราก็พึงเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เหมือนกันอย่างนี้ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นก็มีตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นเป็นอย่างไร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 ตั้นหาว่าเราพึงเป็นบ้างเป็นอย่างไรบุคคลไม่แยกสภาวะธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วได้ฉันทะว่าเราพึงเป็นบ้างได้มานะว่าเราพึงเป็นบ้างได้ทิฏฐิว่าเราก็พึงเป็นบ้างเมื่อสภาวะธรรมทั้งสมนั้นมีอยู่สภาวะธรรมครื่เนเลื่อนช้าเหล่านี้ก็มีว่าเราพึงเป็นอย่างนี้บ้าง เราพึงเป็นอย่างนั้นบ้างหรือว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นบ้างก็มีตั้นหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้บ้างเป็นอย่างไรตั้นหาว่าเราพึงเป็นกษัตริย์หรือเป็นพราหมบ้างพึงเป็นแพทย์หรือเป็นสูตรบ้างพึงเป็นขระหัสหรือเป็นบรรพชิตบ้างพึงเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์บ้างพึงเป็นพรหมมีรูปหรือเป็นพรหมไม่มีรูปบ้างหรือพึงเป็นพรหมมีสัญญา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 เขาเป็นพราหมณ์แต <ve> in in Ein, like ่เราไม่พึงเป็นพราหม์เหมือนเขาบ้างละถึงหรือว่าเขาเป็นพรมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แต่เราไม่พึงเป็นพรมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เหมือนเขาบ้างอย่างนี้ตันหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นบ้างก็มีเหล่านี้เรียกว่าตันหาวิจิริษ18อาศัยเบญจขันภายในตันหาวิจิริษ18 อาศัยเบญจขันธ์ภายนอกเป็นไนตัณหาวิจริสิบแปดอาศัยเบญจขันธ์ภายนอกคือหนึ่งตัณหาว่าเราเป็นด้วยรูปนี้และถึงหรือวิญญาณนี้สองตัณหาว่าเราเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้สตัณหาว่าเราเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้สตัณหาว่า เราเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 5. ตัณหาว่าเราจกเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 6. ตัณหาว่าเราจะเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 7. ตัณหาว่าเราจะเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 8. ปตัณหาว่าเราจะเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ 9. ตัณหาว่า เราเป็นผู้เที่ยงด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้10บตันหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้สิอ็ดตันหาว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้สิองตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้สิบสามตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้14บตันหาว่า เราเพะะึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้สิบห้าตันหาว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้บ้างหรือวิญญาณนี้บ้างสิบหกตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้บ้างหรือวิญญาณนี้บ้างสิบเจ็ดตันหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้บ้างหรือวิญญาณนี้บ้างสิบแปดตันหาว่า เราเพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้บ้างหรือวิญญาณนี้บ้างตั้นหาว่าเราเป็นด้วยรูปนี้และถึงหรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรบุคคลแยกสภาวะธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วได้ฉันทาว่าเราเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ได้มานะว่าเราเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ ได้ทิฐิว่าเราเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เมื่อสภาวะธรรมทั้งสามนั้นมีอยู่สภาวะธรรมเครื่องเลื่อนช้าเหล่านี้ว่าเราเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เราเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้หรือว่าเราเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีตั้นหาว่าเราเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรตั้นหาว่า เราเป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นพราหมณ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นแพทย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นสูตรด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นครรหาดด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นบรรพชิตด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นเทวดาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นมนุษย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นพรหมีรูปด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้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 อย่างนี้ตัณหาว่าเราเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรืหรอวิญญาณนี้ตัณหาว่าเราเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์แต่เราไม่ได้เป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาเขาเป็นพราหมณ์แต่เราไม่ได้เป็นพราหมณ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แต่เราไม่ได้เป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาอย่างนี้ตัณหาว่าเราเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีตัณหาว่าเราจะเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรบคุคคลแยกสภาวะธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณออกจากกันแล้วได้ฉันทะว่าเราจะเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ได้มานะว่าเราจะเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ได้ทิฐิว่าเราจะเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เมื่อสภาวะธรรมทั้งสามนั้นมีอยู่สภาวะธรรมเครื่องเนื่อนช้าเหล่านี้ว่าเราจะเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เราจะเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ หรือว่าเราจกเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้ même, หรือวิญญาณนี้ก็มีตั้นหา ว, ว่าเราจกเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรตั้นหา ว, ว่าเราจกเป็นกระสัดด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จะเป็นพรามด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จะเป็นแพทย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จะเป็นสู่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จกเป็นครหาดด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ จกเป็นบรรพชิตด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จกเป็นเทวดาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จกเป็นมนุษย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จกเป็นพรหมมีรูปด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จกเป็นพรหมไม่มีรูปด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จกเป็นพรหมมีสัญญาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้จกเป็นพรหมไม่มีสัญญาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้หรือว่าจะเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้อย่างนี้ตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์เราก็จักเป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้ Stephanie หร Regular ือวิญญาณนี้เหมือนกัน เขาเป็นพรามเราก็จักเป็นพรามด้วยรูปนี้หร <kah ge> <ata> um ือ <t> ว <ani> ิญญาณนี้เหมือนกันหรือว่าเขาเป็นพรมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เราก็จักเป็นพรมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนกันอย่างนี้ตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีตัณหาว่า เราจักเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรตัณหาเกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่า <c oughs> เขาเป็นกษัตริย์แต่เราจักไม่เป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเข า, <c oughs> าเขาเป็นพรนาหมณ์แต่เราจักไม่เป็นพราหมณ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แต่เราจักไม่เป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่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 เราเป็นผู้ยั่งยืนเราคงทนอยู่ไม่มีความแปรปรนไปเป็นธรรมดาด้วยรูปนี้หรือวิญญาณ น, นี้อย่างนี้ตัณหาว่าเราเป็นผู้เที่ยงด้วยรูปนี้หรือวิญญาณ น, นี้ก็มีตัณหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงด้วยรูปนี้หรือวิญญาณ น, นี้เป็นอย่างไรบุคคลแยกสภาวะรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณออกจากกันแล้ว มีตันหาว่าเราจักขาดศูนย์จากพินาศจักไม่มีด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้อย่างนี้ตันหาว่าเราเป็นผู้มีเที่ยงด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีตันหาว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรบุคคลแยกสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากกันแล้วได้ฉันทะว่า เราพึงเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ได้มานะว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ได้ทิฐิว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ตั้นหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรตั้นหาว่าเราพึงเป็นกระสัดด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้พึงเป็นพรามด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้พึงเป็นแพทย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้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 พึงเป็นพรหมมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้อย่างนี้ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้ก็มีต atte ัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เป็นอย่างไรตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์เราก็พึงเป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน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 หรือวิญญาณนี้บ้างได้มานะว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างได้ทิฐิว่าเราพึงเป็นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างเมื่อสภาวะธรรมทั้งสามนั้นมีอยู่สภาวะธรรมเครื่องเนื่นช้าเหล่านี้ว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างหรือว่า เราพึงเป็นโดยประการอื ouais. deflect, peace, uh ่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างก็มีตั้นหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างเป็นอย่างไรตั้นหาว่าเราพึงเป็นกษัตริย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็นพราหมณ์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็นแพทย์ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างพึงเป็นสูตรด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้าง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 ตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างเป็นอย่างไรตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะปรียบเทียบกับคนอื่นว่าขเขาเป็นกริยัแต่เราไม่พึงเป็นกริยัด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาบ้างเขาเป็นพรามแต่เราไม่พึงเป็นพรามด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาบ้างหรือว่าเขาเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ แต่เราไม่พึงเป็นพรหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาบ้างอย่างนี้ตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปนี้หรือวิญญาณนี้บ้างก็มีเหล่านี้ชื่อว่าตัณหาวิจิริสิบปอาศัยเบญจขันธ์ภายนอกตัณหาวิจิริสิบปดเหล่านี้อาศัยเบญจขันธ์ภายในตัณหาวิจิริสิบปดเหล่านี้ อาศัยเบญจขันภายนอกด้วยประกาศฉนิประมวลย่อเข้าเป็นอันเดียวกันเป็นตันหาวิจริษสามสิบหกตันหาวิจิริษตามที่กล่าวมานี้เป็นอดีตสามสิบหกเป็นอนาคตสามสิบหกเป็นปัจจุบันสามสิบหกประมวลย่อเข้าเป็นอันเดียวกันเป็นตันหาวิจิริษหนึ่งร้อยแปดปัญดามาติ ก, กานั้นทิฏฐิหกสิบสองที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในพรห ม, มาชาลสูตรเป็นไฉไหนะ ทิฏฐิหกสิบสองคือหนึ่งสัสตาวาทะวาทะว่าอัตตาและโลกเที่ยงสี่สองเอกัจจสัสติกะวาทะวาทะว่าอัตตาและโลกเที่ยงบางอย่างสี่สาอันตานันติกะวาทะวาทะว่าอัตตาและโลกไม่มีที่สุดสี่สอมราวิเคปิกะวาทะวาทะที่ลี้หลบเลี่ยงไม่แน่นอนสี่ห้า อทิตย์จสมุปปันเนื้กัะวาทะวาทะว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจสองหกสัญญีวาทะวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาสิบหกเจ็ดอสัญญีวาทะวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญา 8. ปดปเนวสัญญีนาสัญญีวาทะวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แปดเก้าบุเชทวาท ะ, ะวาทะว่าอัตาหลังจากตายแล้วขาดศูนย์เจ็ดสิบทิฏฐธรรมะนิพานวาท ะ, ะวาทะว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพานปัจจุบันห้าทิฏฐิหกสิบสองเหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในพรหมชาลสูตรคุธกะวัตุวิพังจบบริบูรณ์